เพมาสร้างบ้านบ้านอนาคตของพวกเราเพราะบ้านปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่คือร่างกายนี้ต่อไปก็จะต้องหมดสภาพไปต่อไปก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปเราที่อาศัยบ้านนี้อยู่ไม่ได้ตายไปกับบ้าน ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเลยต้องไปหาบ้านใหม่อยู่ถ้าเราเตรียมซื้อบ้านจองบ้านสร้างบ้านไว้ตั้งแต่บัดนี้เวลาเราไปเราจะได้มีบ้านใหม่รองรับเราทันทีถ้าเราไม่ได้เตรียมบ้านสร้างบ้านใหม่ไว้ เวลาล้างบ้านเก่าพัางไปเราก็ต้องไปพเนจรเน่ร่อนนี่คือดวงวิญญาณของพวกเราที่จะไปสู่บ้านต่างๆหรือไปพเนจรไปอยู่แบบผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราต้องมาเตรียมสร้างบ้านกันบ้านในอานาคตของเรานี่ มีอยู่หลายระดับเหมือนกับบ้านจัดสรรมีหลายราคามีหลายระดับระดับล้านระดับ5้าล้านระดับ10ล้านระดับ20ล้าน30ล้านมีหลายระดับบ้านในนอนาคตของเราก็มีหลายระดับด้วยกันระดับชั้นเทพระดับชัําพรมระดับชั้นพระอริยะเจ้าก็มีหลายระดับ ราคาก็ต่างกันไปจะซื้อบ้านระดับแต่ละระดับก็ต้องมีเงินทองไว้สำหรับที่จะจ่ายให้กับบ้านเหล่านั้นเราก็ต้องมาเตรียมทรัพย์เตรียมเงินเตรียมทองเพื่อที่จะไปซื้อบ้านต่างๆเราต้องมาทำบุญทําทานเพราะเป็นเหมือนกับการ สร้างรากฐานของบ้านก่อนที่เราจะสร้างบ้านได้เราต้องทำฐานรากของบ้านให้แข็งแรงก่อนถ้าเราอยากจะสร้างบ้านใหญ่ฐานรากก็ต้องยิ่งแข็งแรงขึ้นไปเวลาเราสร้างบ้านสองชั้นนี้ฐานรากก็แข็งแรงในระดับหนึ่งถ้าเป็นบ้านเป็นคอนโดเป็นตึกสูงยิ่งสูงขึ้นไปฐานรากก็ต้องยิ่ง แน่นวิธีที่จะทำให้ฐานรากของบ้านแน่นก็คือเขาต้องเจาะเข็มกันตอกเข็มกันตอกเข็มแล้วดินที่มันไม่แน่นมันก็จะแน่นพอดินมันแน่นมันก็จะรองรับอาคารสูงสูงได้ <c oughs> ถ้าเราไม่เจาะเข็มไม่ตอกเข็มไม่ทำให้พื้นฐานรากของบ้านแน่นถ้าเราไปสร้างตึกสูงสูงใหญ่ๆเดี๋ยวมันก็จะโค่นพังลงมาได้ <c oughs> ฉันใดก่อนที่เราจะสร้างบ้านได้เราต้องทํารากฐานคือทําดินให้แข็งแรงรองรับบ้านที่เราจะปลูกกันถ้าบ้านเพียงชั้นสองชั้นก็ไม่ต้องทํามากเพราะดินก็แน่นพอที่จะรับน้ํำดักได้ไม่ต้องตอกเสาเข็มแต่ถ้าจะเป็นตึกสามชั้นห้าชั้นหรือสิบชั้นร้อยชั้นนี่ต้องตอกเข็มกันมาก เพื่อรองรับน้ำหนักของตัวอาคารการทำทานนี่ก็เหมือนกันเป็นเหมือนกับการทำรากฐานของบ้านที่เราจะสร้างกันถ้าเราต้องการสร้างบ้านที่ไม่สูงนักเราก็ไม่ต้องตอกเข็มมากถ้าต้องการบ้านที่สูงใหญ่เราก็ต้องตอกเข็มให้มากขึ้นการทำบุญทำทานนี่ก็เป็นเหมือนกับการตอกเสาเข็ม เพื่อลองรับตัวอาคารลองรับเสาของตัวบ้านและลองรับหลังคาและพื้นต่างๆฉั้นเบื้องต้นเราต้องมาสร้างรากฐานของบ้านด้วยการทาบุญทาทานถ้าเราไม่ต้องการได้บ้านที่ใหญ่โตบ้านที่วิเศษเราก็ไม่ต้องทำมากทำร้อยละสิบร้อยละยี่สิบนี้เราก็พอที่จะได้บ้านที่อยู่ได้สุขสบายในระดับหนึ่ง แต่ถ้าเราอยากจะได้บ้านที่ดีกว่าที่แพงกว่าที่ใหญ่กว่าที่สูงกว่าเราก็ต้องทำเพิ่มจากร้อยยี่สอาจจะเป็นร้อยละ50แล้วถ้าเราอยากได้บ้านที่วิเศษที่สุดบ้านที่ไม่มีวันพังไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันทลายเราก็ต้องทำร้อยเต็มร้อยคือมีสมบัติเข้าของเงินทองเท่าไหร่ก็ยกให้คนอื่นไปหมด เพื่อเราจะได้ไปตั้งเสาได้ตอนต้นเราก็ตอกเข็มก่อนการทาบุญรมธานี่เป็นเหมือนกับการตอกเสาเข็มทำรากฐานพอเราทำรากฐานแล้วข้านต่อไปเราก็ต้องตั้งเสาของบ้านเสาของบ้านก็คือศีลเนี่ยมีหลายระดับศีลห้าศีลแปศีลสิบศีลสองรี 10, ่ิบเจ็ก็ขึ้นอยู่กับบ้านที่เราจะสร้างว่ามีขนาด สูงใหญ่ขนาดไหนถ้ายิ่งใหญ่ยิ่งสูงเสาก็ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นไปถ้าเราอยากจะได้บ้านเตีย้ยๆต่างๆเราก็ไม่ต้องทำมากเช่นถ้าเราอยากจะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่เราก็เพียงแต่รักษาศีลห้าก็พอแล้วถ้าเราทำบุญเราก็จะได้บ้านที่ดีกว่าบ้านของมนุษย์ เราจะได้บ้านของเทวดาทาบุญร้อยละสิก็ได้บ้านชั้นเทพระดับที่หนึ่งรอยละยก็ได้ระดับที่สองแล้วแต่เราจะสร้างทาบุญทำทานมากน้อยเพียงไรสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นก็จะเป็นผลที่เราจะได้รับกัน น, นี่ถ้าเรารักษาศีลห้าแล้วก็ทาบุญทำทานกัน ถ้าเราอยากจะได้บ้านที่ใหญ่กว่านั้นสูงกว่านั้นคือบ้านสงระดับชั้นพรมนี่เราก็ต้อง <c oughs> ทำบุญให้มากขึ้นจากร้อยละสิบร้อ่อาจจะต้องทาร้อยละห้าสิบแล้วเราก็ต้องรักษาศีลเพิ่มขึ้นจากศีลห้าก็ต้องเป็นศีลแปดพอบ้านจะต้องสูงขึ้นใหญ่ขึ้นเสาก็ต้องใหญ่ขึ้นไว้สำหรับรองรับน้ำหนัก ของตัวอาคารถ้าอยากจะได้สวรรค์ชั้นพรหมนี้ก็ต้องทําทานมากขึ้นแล้วก็ต้องรักษาศรรีลให้มากขึ้นจากศรรีลห้าก็ต้องไปเป็นศรรีลแปดันพระก็ต้องมาอยู่วัดกันทิ้งบ้านทิ้งเรือนมาเตรียมตัวสร้างบ้านใหม่กันมาอยู่วัดเพื่อเราจะได้มาเตรียมสร้างบ้านที่ใหญ่กว่า บ้านที่เราจะสร้างที่ใหญ่กว่าคือบ้านระดับชั้นพรหมนี้นอกจากรักษาศีลแปดแล้วเรายัางต้องมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมกัน <c oughs> เพื่อที่เราจะได้ทําใจของเราให้สงบ <c oughs> เวลาใจสงบนี้ <c oughs> เราจะได้บ้านที่มีความสุข <c oughs> มากกว่าบ้านที่เราได้จาก บ้านของเทพหรือบ้านของมนุษย์นี่คือบ้านระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆระดับพรหมแต่บ้านระดับพรหมบ้านระดับเทพบ้านระดับมนุษย์นี้ยังเป็นบ้านชั่วคราวคือเดี๋ยวสร้างเสร็จอยู่ไปสักระยะหนึง่งเดี๋ยวมันก็พังอกีกเช่นเราไปสร้างบ้านสวรรค์ชั้นพรหมพอเราอยู่สวรรค์ชั้นพรหมได้สัก ระยะหนึ่งพอบุญที่เราได้จากการตั้งบ้านระดับพรหมนี้หมดไปเราก็จะบ้านระดับพรหมก็จะพังไปเราก็ต้องย้ายลงมาอยู่บ้านระดับเทพแล้วพอบุญที่ให้เราได้อยู่บ้านระดับเทพมันหมดไปเราก็ต้องย้ายกลับมาอยู่บ้านระดับของมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ร่างกายของมนุษย์แล้วพอมาเป็นมนุษย์ เดี๋ยวก็ต้องแก่เจ็บตายพอตายไปก็ต้องไปหาบ้านาใหม่อยู่ตอนที่เราเป็นมนุษย์เราเตรียมตัวสร้างบ้านกันอย่างที่พวกเรามาทํากันนี้เวลาร่างกายมนุษย์นี้ตายไปเราก็จะมีบ้านชนิดต่างๆรอเราอยู่ขึ้นอยู่กับว่าเราทําบุญทําทานนักษาศีลปฏิบัติธรรมได้มากน้อยเพียงไร แล้วถ้าเราอยากจะไปสู่บ้านที่ไม่เสื่อมบ้านที่ไม่พังบ้านที่ถาวรคือพระนิพพานเราก็ต้องเพิ่มจากการนั่งสมาธิมาเจริญปัญญามาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาขอยืมปัญญาของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการสร้างบ้านสร้างพระนิพพานบ้านที่ถาวร พระพุทธเจ้าใช้ปัญญานี้สร้างพระนิพพานขึ้นมาถ้าเราอยากจะได้พระนิพพานอยากจะได้บ้านที่ไม่มีเสื่อมที่เราไม่ต้องกลับมาสมาเป็นมนุษย์มาสร้างบ้านกันอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาใช้หลังจากที่เราทำใจของเราให้สงบได้แล้วได้บ้านสวรรค์ชั้นพรหมแล้วเราก็ถึงจะ ค่อยก้าวขึ้นไปสู่บ้านสวรรค์ชั้นนิพพานได้ก่อนจะไปสู่สวรรค์ชั้นพรก็ต้องไปสู่สวรรค์ชั้นเทพก่อนดังนั้นเราต้องก้าวไปทีละชั้นชั้นแรกก็รักษาศีลห้าทำบุญทำทานไปตามกำลังชั้นที่สองก็ทำบุญทาทานมากขึ้นรักษาศีลแปดแล้วถ้าเราอยากจะไปขั้นที่สูงสุดขั้นพระนิพพาน เราก็ต้องรักษาศีลสงรีรักษาศีลของนักบวชของพระกันแล้วเราก็ต้องสละทำบุญทำทานเงินข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่นี้ทำไปให้หมดเลยยกให้คนอื่นไปจะให้ใครก็ได้ให้ลูกให้เมียให้สามีให้ภรรยาให้พ่อให้แม่ให้วัดให้โรงพยาบาลให้โรงเรียนขอให้เราสละไปให้หมด พราะถ้าเราไม่สละไปให้หมดเราจะไม่สามารถไปสร้างศีล2องรี่ิบที่ใหญ่สําหรับที่จะรองรับบ้านที่ใหญ่บ้านที่ถาวรได้ดังนั้นคนที่มาบวชเลยต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของเอองินทองสละญาติสนิทมิตรสหายสละสามีสละภรรยาสละบุตรธิดาต้องสละทุกสิ่งไปเพื่อที่จะได้ มาสร้างเสาที่ใหญ่สร้างบ้านที่ใหญ่ตอนต้นก็สร้างเสาก่อนคือศีล227ข้อจากการรักษาศีล5ศีล8เราก็มาเปลี่ยนเป็นการรักษาศีล227กันแล้วเราก็มาฝึกจเจริญสติควบคุมใจทำใจให้สงบพอใจสงบเราก็จะได้บ้านสวรรค์ชั้นพรอแล้ว จากสวรรค์ชั้นพรมเราก็จะก้าวขึ้นสู่บ้านของพระอริยเจ้าไดา้บ้านของพระอริยเจ้าก็มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันสี่ระดับด้วยกันกว่าจะถึงพระนิพพานขั้นที่หนึ่งนี้ก็บ้านของพระโสดาบันบ้านนี้ยังยังไม่สมบูรณ์ถ้าได้บ้านนี้แล้วเกิดตายไปก่อนยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาสร้างบ้านต่ออีก ก็ต้องกลับมาเกิดไม่เกิน7ครั้งด้วยกันก็จะสามารถสร้างบ้านระดับที่สองระดับที่สได้หรือระดับที่4ได้ถ้าระดับได้ลรางบ้านระดับที่สองก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างต่ออีกแต่ถ้าได้บ้านระดับที่สคือบ้านของพระอนาคามีก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะสามารถไปสร้างต่อได้ในสวรรค์ชั้นพรม พระอนาคามีนี้จะไม่ต้องกลับมาเป็นมนุษย์อีกต่อไปแล้วถ้าได้สวรรค์ชั้นที่สี่คือสวรรค์พระนิพพานสวรรค์ของพระอรหันต์บ้านของพระอรหันต์ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่ต้องมาเกิดมาสร้างบ้านกันอยู่เรื่อยๆพวกเราตอนนี้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องกลับมาเพื่อมาสร้างบ้านกัน กเดียวบ้านของมนุษย์ก็จะต้องหมดไปเสื่อมไปตายไปพอตายไปถ้าเราไม่เตรียมสร้างบ้านใหม่ไว้เราก็จะต้องไปอยู่แบบแพเนจอนไปได้บ้านของเดลฉานไปได้ร่างกายของเดลฉานอยู่ตามป่าตามเขาอยู่แบบอดอยากขาดแคลนอยู่แบบไม่ปลอดภัยมีภัยอันตรายรอบตัว หรือถ้าไม่เช่นนั้นก็ไปเป็นขอทานขอทานก็เป็นพวกเปรตนี่หรือไปเป็นผีก็พวกกสุลกายหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะไปติดคุกติดตารางก็คือไปนรกนรกก็คือคุกตารางของพวกที่ไม่ได้สร้างบ้านกันไม่ได้รักษาสิงกันถ้าทําบาสนี่ทำบาปแล้วตายไปก็จะต้องไปอบายกัน ไปเป็นเดลฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอ ส, สุลกายไปเป็นสัตว์นรกบ้างจนกว่าจะพ้นโทษหมดบาปหมดกรรมที่ทําไว้ก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องมาเตรียมตัวสร้างบ้านกันใหม่ถ้าขี้เกียจสร้างบ้านไม่ทําบุญทําทานไม่รักษาศีลจะเอาแต่กินเหล้าเมายาเที่ยวเตะเล่นการพนันทําบาปทํากรรม เดียวตายไปก็ต้องไปติดคุกติดตารางหรือไปเป็นขอทานหรือไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่คือที่ไปของพวกเราจะอยากไปหรือไม่อยากไปก็ไม่เป็นไม่เป็นเหตุเหตุที่จะทำให้เราไปก็คือการกระทำของเราการทำบุญหรือการทำบาปทำบุญมากหรือทำบุญน้อยทำบุญทบาปมากหรือทำบาปน้อย มันจะพาเราไปจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ไม่เป็นเหตุที่จะมายับยั้งให้เราไม่ไปถ้าทำแล้วมันต้องไปเหมือนกับถ้ า, ถาทำผิดกฎหมายนี่ตารวจเขาก็ต้องมาจับเราเข้าคุกเข้าตารางจะรู้ว่าผิดหรือไม่ผิดก็เขาก็ไม่ฟังไปฆ่าคนไปลักทรัพย์ของคนอื่นเขาจับเราได้เขาก็ต้องจับเราไปลงโทษ จะบอกว่าไม่รู้หรื อ, อ ไ, มไม่เชื่อกฎหมายก็ไม่ได้เขาไม่ฟังเขาดูที่พฤติกรรมของเรากฎแห่งกรรมก็เหมือนกันเขาไม่สนใจว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าเราลองทำแล้วผลมันจะส่งให้ทันที ถ, ถ้าทำถ้าทาบุญทำทำบุญไม่รักไม่ทาบาปทำบุญรักษาศีลได้ก็ไป เป็นเทพทันทีถ้าทาถ้าถือศีลแปดได้นั่งสมาธิได้ก็ไปเป็นพรหมถ้าเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาใช้ได้ก็จะได้ไปเป็นพระอริยเจ้าไปเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันต์นี่คือจุดหมายปลายทางของชีวิตของพวกเราที่พวกเรา จะต้องเดินไปกันจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นปัญหาถ้าเชื่อก็จะทาให้เราเดินไปในทางที่ดีไปถึงบ้านที่ถาวรถ้าไม่เชื่อก็จะเวียนว่ายตายเกิดและมักจะไปติดคุกติดตารางไปเป็นขอทานไปเป็นจิตพนเจนจรจะต้องไปทุกข์ยากลาบากเดือนร้อนอยู่แบบอดยากขาดแคลนอันนี้เป็น อนาคตของพวกเราที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงห่วงใยพวกเราจึงต้องเสียสละเวลาของพระพุทธเจ้าถึงสี่สิบห้าปีมาคอยสั่งสอนพวกเราให้พวกเราได้เห็นอนาคตของพวกเราว่าจะไปในทิศทางในเหมือนกับเอาแผนที่มาให้เราดูว่าถ้าเราเดินไปทิศนี้เราก็จะไป ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราเดินไปทิศนี้เราก็จะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราเป็นคนเลือกเป็นคนตัดสินใจไม่มีใครมาบังคับเราได้ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อทางที่พระพุทธเจ้าชี้ให้เราไปว่าเป็นทางที่จะทำให้เราได้พบแต่สิ่งที่ดีเราก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติได้ทรงกระทำ นะทำตาที่ท่านได้สอนให้พวกเราทากันเช่นถ้าท่านสอนให้เราทำบุญทำทานเราก็ทำกันสอนให้เรารักษาศีลเราก็รักษากันสอนให้เราไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเราก็ทำกันสอนให้เราฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อจะได้เอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสร้างบ้านที่ฐาวรให้กับพวกเรา ถ้าเราทำตามแล้วรับรองได้ว่าเวลาที่เราตายไปเราจะได้ไปบ้านที่ถาวรกันไปพระนิพพานกันเพราะมีคนที่เชื่อพระพุทธเจ้าและทำตามที่พระพุทธเจ้ากันมามากมายกายกองแล้วก็ได้ไปถึงพระนิพพานกันก็คือพระอาลาัยตรสาวกทั้งหลายพระที่ตายไปแล้วกระดูกกายเป็นพระธาตุนี่แหละ แสดงว่าได้ไปถึงพระนิพพานแล้วได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วปกติคนธรรมดาถ้ายังไม่ไปถึงพระนิพพานนี่เวลาตายไปกระดูกจะไม่กลายเป็นพระธาตุกระดูกจะผุจะเปื่อยจะผุจะกลายเป็นดินไปแต่กระดูกของพระอาหารหันต์ของพระพุทธเจ้านี้จะไม่ผุเป็นดินจะกลายเป็นธาตุเป็นเหมือนก้อนหินเป็นเหมือน เป็นเหมือนหยกอย่างนี้เป็นเหมือนหินอ่อนดูพระธาตุลักษณะต่างๆนีอันนี้เป็นเพราะว่าใจของพระอาหารหันต์นี่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากจึงซักฟอกกระดูกของท่านให้กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาส่วนใจของพวกเราเนี้ยังโสกโปกอยู่ยังไม่สะอาด ยังมีความโลภความโกรธความหลงยังจึงไม่สามารถซักฟอกกระดูกของพวกเราให้กลายเป็นธาตุาขึ้นมาได้เวลาตายไปกระดูกของเราก็จะผุกลายเป็นดินไปนี่คือเครื่องพิสูจน์เครื่องยืนยันว่าการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ไรเหตุไม่ไรผลคือทำแล้วจะได้รับผล ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงยืนยันไว้ว่าถ้าปฏิบัติได้จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะได้ไปพระนิพพานกันนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะพิจารณากันคิดกันว่าจะคุ้มไหมกับการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ทำตามคำสอน อยากจะเสี่ยงหรือไม่อยากจะเสี่ยงพระพุทธเจ้านี้เป็นคนเหมือนคนตาดีเราเป็นเหมือนคนตาบอดเราจะเสี่ยงให้คนตาดีพาเราไปหรือเราจะเสี่ยงกับการเดินไปเองคนตาบอดนี้จะเลือกยิศทางไหนดีคำทางไปเองหรือว่าเชื่อคนตาดีเชื่อว่าเขามีความเมตตาเขาไม่หลอกเราเขาจะไม่พาเราไป ไปต้องไปแกงเราจะพาเราไปสู่พระนิพพานกันพระพุทธเจ้านี้เป็นคนตาดีเป็นคนที่มีความเมตตามากมีความปาถนะดีสงสารพวกเรามากพระพุทธเจ้าไม่ได้อะไรจากการพาพวกเราไปเลยมีแต่เหน็ดเหนื่อยกับการสั่งสอนอยู่ทุกวี่ทุกวันถึง45ปีด้วยกันแต่ผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้า เขาก็ได้ดิบได้ดีกันเขาได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายกันเขาได้ไปถึงพระนิพพานกันอย่างนั้นก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราจะเลือกทางไหนจะเลือกทางของพระพุทธเจ้าก็ได้จะเลือกทางของเราเองก็ได้แต่ผลมันจะต่างกันถ้าเลือกทางของพระพุทธเจ้าก็จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์จะได้พบกับความสุขที่ถาวร ถ้าเชื่อตัวเราเองเราก็จะไปตามอารมณ์ถ้าทำดีก็ได้พบความสุขถ้าทำชั่วก็จะได้พบความทุกข์แต่ก็จะไม่ไปถึงบ้านที่ถาวรได้จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือผลที่จะตามมาจากการกระทำของพวกเราถ้าทำตามพระพุทธเจ้าก็จะได้ผลดี ได้หลุดพ้นถ้าทไม่ทำตามพระพุทธเจ้าก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างที่เรากำลังเป็นอยู่ได้เป็นมานานแล้วต่อไปยังขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและตัดสินใจเลือกทางเดินเพราะว่าท่านจะเป็นต้องเป็นผู้รับผลของการ เลือกทางเดินไม่มีใครจะมารับผลจากการเลือกทางเดินของเราเองเราจะต้องเป็นผู้เลือกเหมือนกับเวลาเราไปซื้อของเราก็เป็นคนที่เลือกซื้อของที่เราอยากจะได้แล้วเราก็จะได้ของที่เราอยากจะได้เลือกของที่เราเลือกซื้อของที่เราอยากได้เราก็จะได้ของนั้นก็มีเพียงเท่านี้คิดว่าพอสมควรแก่เวลา